บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปปณาที่ท่านเมตกูราบทูนถามพระพุทธเจ้านั้นมีข้อความโดยสรุปว่าความทุกข์ทั้งปูงซึ่งมีลักษณะต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไร พระพุมีพระพักต์เจ้าทรงแสดงว่าความทุกข์ซึ่งมีลักษณะต่างๆเกิดขึ้นมาจากอุปธิที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นคนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะอาจจะพบเห็นความแตกต่างกันจากพระพุทธนํารัตที่ทรงแสดงไว้ในที่อื่น เช่นในอริยสัจ4ทรงแสดงว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาหที่บางแห่งก็ทรงใช้คำวิกิเลตและบางแห่งอาจจะใช้ธรรมชาติครรชชาเป็นต้นการที่ทรงจำแนกแสดงออกไปแตกต่างกันเช่นนี้เป็นการแสดงเพื่อสอดคล้องกับจดิตของผู้ฟัง ก็าสามารถเข้าใจได้ด้วยภาษาอะไรก็จะทรงแสดงอย่างนั้นแต่โดยเนื้อหาแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองคำว่าอุปธิหมายถึงสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในใจของบุคคลเมื่อปรากฏผลออกมาแล้วจะก่อเป็นความเดือดร้อนในรูปลักษณะต่างๆ บางครั้งท่านจะนกแสดงออกไปเป็นสิบสบข้อแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะพบว่าคำาอุปธิคือสิ่งที่เก็บหมักหมมทับถมอยู่ภายในจิตสันดาลของบุคคลนึง่งกลุ่มหนึ่งก็ได้แก่พวกกิเลสที่เรียกว่าตัณหาอาการทะเยอทะายานจากทางจิตบ้าง เดียวกิเลสแปลว่าเครื่องทำใจให้เศร้าหมองบ้างเทวดาทิติคือความยึดมั่นถือมั่นหรือความเห็นในทางที่ผิดบ้างอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็หมายถึงกรรมคือการกระทําที่เป็นทุจริตต่างๆพะเมื่อทําทุจริตแล้ว ไม่ที่สุดจิตใจของบุคคลจะกระด้างขึ้นเพราะมีเชื่อของความทุจริตเก็บอยู่ภายในใจบ้างกรรมการกระทําก็ขอจะรุนแรงขึ้นไปโดยลําดับเพราะนักรรมจึงกลายเป็นอุปธิอีกชนิดหนึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในจิตใ จ, จของบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องของขัน แล้แกขันทั้งห้าประการนั่นเองแล้วขึ้นอยู่กับคนฟังว่าเป็นใครจะเข้าใจได้โดยโทยคำอะไรก็จะทรงหยิบเอาสิ่งนั้นขึ้นมาแสดงเช่นบางครั้งก็ทรงใช้ขันทั้งห้าไปเลยใช้รูปเปรตนาสัญญาสังขารวิญญาณเต็มรูปไปเลยเรียกว่าขันถูไปที่อุปติคือขันซึ่งใจของบุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ด้วยอำนาจของตันหาบ้างด้วยอำนาจของมานะบ้างด้วยอำนาจของจิตติบ้างแล้วก็มีการกําหนดหมายมีการสําคัญมันหมายมีการยึดติดจิตก็เดือดร้อนไปตามสิ่งที่ตนกําหนดเอาไว้การยึดมั่นด้ยวยอำนาจตันหาไอ้ แ, แก่ยึดมั่นว่าเป็นของเรากรนี้ลองดูตัวอย่างง่ายๆ เวลาบุคคลดูการแสดงละครหรือแสดงอะไรก็ตามถ้าใจเกิดนิยมชมชอบในตัวแสดงตัวใดและจิตใจจะขึ้นขึ้นหลงๆลงไปกับการแสดงของบุคคลู้นั้นเมื่บุคคลที่ตนชอบเกิดเปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นอันตรายจิตใจก็วิตกกังวลเก้นมานี่เป็นขณะที่ไม่ยาวเกินไป สนใจที่ไปถือยาวขึ้นมากกว่านะั้นเป็นตัวเราเป็นลูกเราทรัพสมบัติของเราบ้านเรือนของเราตลอดจนถึงบ้านเมืองของเราความสับสนภายในจิตก็จะเกิดขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงของขันที่เข้าไปยึดถือแต่ว่าบางอย่างคนฝังมีพื้นอัตยาใสายที่จะเข้าใจในแง่หนึ่งในมุมหนึ่ง ก็ไม่ยกเอามาทั้งหมดยกออกมาเฉพาะส่วนที่เป็นรู ป, ปรขันเราเห็นได้ชัดดีได้แก่พวกอายตนะภายในภายนอกคือตาหัวจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผูธสัมผัสที่บุคคลเกี่ยวข้ อ, ของกันอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเองก็ยยงเะพะว่าก็เป็นอุปทิอีกลักษณะหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นเราเป็น ของเราเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นปจากตัวของอายตนะเองและจากสิ่งที่อายตนะไปสัมผัสและใจก็กําหนดเพราะกำหนดมันก็กลายเป็นอุปธิขึ้นมาภายในใจกําหนดว่าชอบก็เกิดอุปธิกําหนดว่าชังก็เกิดอุปธิกําหนดในแนวของการหมกมุ่นยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นอุปธิ แต่บางครั้งสติปัญญาของคนเร็วมากเข้าใจได้เร็วก็สอนถึงบิน ญ, ญาณบิน ญ, ญาณในที่นี้ได้เกิดตัวความรู้เวลาประสบกับรูปเป็นต้นที่เราเรียกเต็มตามอาณาจักระของเขาว่าจากักุบิน ญ, ญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นทางตาโสตะบิน ญ, ญาณความรู้ที่เกิดขึ้นทางหู คณะวิญญาณความรู้ที่เกิดขึ้นทางจมูกสิวหาวิญญาณความรู้ที่เกิดขึ้นทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ที่เกิดขึ้นทางตาซึ่งหมายความว่าความรู้เหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ด้วยปัจจัยทางที่เป็นภายในและเป็นภายนอกพวกประสาทตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นเพียงประสาทแต่เป็นสื่อให้เกิดการรับรู้ เหมือนกับกระแสไฟกับสายไฟยที่จริงกระแสไฟก็ไม่ใช่สายไฟยสายไฟยก็ไม่ใช่กระแสไฟแต่ว่ากระแสไฟจำเป็นจะต้องอาศัยสายไฟยจึงเดินไปได้ชนใดก็ดีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัณฑที่ผ่านมากระทบจกักรุประสาทเป็นต้น จ, จะรับรู้อารมณ์เหล่านั้นได้ก็ต้องอาศัย ประสาตาประสาทหูเป็นต้นเป็นสื่อนาเข้าไปแต่ถ้าประสาทเหล่า น, นั้นดับการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะการมองในแนววิญญาณจึงเป็นการสอนให้มองสำหรับคนที่สติเกิดได้เร็วและระลึกรู้อารมณ์ได้เด็ดแตะถ้าไม่งั้นก็มองไม่ทัน ดัง น, นั้นใจเห็นได้ว่าพวกกิเลส ก, ก็ดีพวกกรรมก็ดีพวกขันก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอุปธิซึ่งก็อาจจะจำแนกออกไปได้โดยวิจิตพิดารณ์และที่น่าสังเกตขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าคำว่าอุปธิจึงกลายเป็นที่รวมของทุกและสังสารวัฏ คือทุกในชีวิตได้ทุกของสังสารวัฏตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยหลักที่ให้เกิดการหมุนบนในชีวิตกลายเป็นภาวะจักรคือล้อของสังสารวัฏที่พัดผันบุคคลสัตว์ให้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏประสบความทุกข์ความสุขกันเรื่อยไปแน่นก็เพราะตัวการใหญ่3มประการ กิเลสกรรมและวิญญาณที่ทรงแสดงไว้ในปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทบ้างอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารในปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณปัจจัยจึงเกิดนามรูปอวิชชาก็คือกิเลสสังขารก็คือกรรมวิญญาณ ก็คือปฏิสนธิวิญญาณที่ทมหน้าที่ไปถือปฏิสนธิในกาเนิดต่างๆตามแรงดันของกรรและการปรุงแต่งของกำในการปรุงแต่งของกรรมก็เกิดขึ้นเกิดเกิดขึ้นจากความหนาบางของกิเลสถ้ากิเลสแก่หนาก็แต่งพบแต่งชาติให้หยาบมันเหมือนอะไรเหมือนกับคนที่มีความรู้น้อย จะายทอะไรสิ่งนั้นก็จะสวยงามไม่ได้ก็พอเป็นรูปเป็นร่างไปแต่ถ้าเขาความรู้เขามากมีความละเมยดละไมเข้าใจาทต่ลึกซึ้งก็ตกแต่งประดิษฐ์ประดอยได้สวยงามกรรมคือเจตนาคือความจงใจที่บังเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลเป็นเหตุให้กระทาเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทา ทากว่าจิตใจของบุคคลประกอบด้วยปัญญามากซึ่งหมายความว่ากิเลสลดการของเขาก็ประนีตเราทำให้พวกชาติประนีตขึ้นไปได้วยอุปเทจจิงกลายเป็นที่รวมอีกสูตรหนึ่งแต่ในความเป็นอุปเิมันก็รวมอยู่ท้งส่วนเหตุและส่วนผลคือเป็นเหตุเป็นผลของการแะลกัน แต่อย่างที่บอกมาแล้วว่าเวลาแสดงนั้นไม่จําเป็นจะต้องพูดเต็มทีก็ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนฟังบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้คําในเรื่องเดียวกันนั้นหลากหลายออกไปคือในคําที่ทรงใช้นั้นสี่ห้าคำมันต้องเข้าใจด้วยคําคำหนึ่งได้เป็นทรงแสดงถึงประยานที่มันเกิดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์เป็นเหตุให้พระองค์จตสรุก็ทรงใช้คําหลายครับ จักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนว่านี่แสดงว่าคำทั้งห้านั้นก็ไม่จำเป็นว่าต้องเข้าใจหมดทุกคำแต่ให้เข้าใจสักคำหนึ่งก็จะเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากความเข้าใจในตอนต้นตอนนั้นไปได้ ปัญหาที่น่าคิดก็คือว่าพวกเหล่านี้เป็นเหตุของทุกข์อย่างไรหรือเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างไรเนื่องจากเป็นปริยายแห่งธรรมหรือเป็นนิยะแห่งธรรมที่ทรงจําแนกแสดงเฉพาะในที่นี้จะยกตัวกรรมคือทุจริตเรียกว่าทุจริ ต, ตรูัปฏิตูวปฏิคือทุจริตว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์อย่างไร ข้อกรณีเป็นภาพเป็นเหตุการณ์เป็นลักษณะทางอารมณ์ที่บุคคลสามารถสังเกตได้ชัดในขณะนั้นๆความทุกข์ระดับเวรภัยที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นส่วนมากแล้วเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้นไปสร้างเหตุแห่งเวรแห่งภัยขึ้นมาโดยการประพฤติรุ จ, จริษ ทุจริตที่แปลว่าความประพฤติชั่วความประพฤติยากประพฤติไปแล้วลำบากแสดงออกมาในรูปอาการทางกายคือการประพฤติผิดที่เกี่ยวกับร่างกายของบุคคลอื่นไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวฟันเสมอไปทำยันไงก็ได้ที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายของบุคคลอื่นก็ถือว่าทุจริตที่เกี่ยวกับร่างกาย สุดิดิี่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลเด่นจะทำโดยวิธีใดก็ตามมีมากมายได้เก่บางครั้งก็ดูไม่ค่อยออกแต่ว่าเมื่อเป็นอกุศลผลก็ต้องอำนวยความทุกข์ให้แก่ บ, บุคคลคนนั้นและการประพฤติผิดที่เกี่ยวกับคุกครองหรือเกี่ยวกับทางเพศท่านจะเห็นได้ว่า แต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นมีเป็นนั้นมากที่เป็นเรื่องใหม่คือไม่ได้เกิดขึ้นมาจากอดีตกรรมอะไรอันเป็กับความเกิดความเกิดนั้นเป็นผลจากอดีตกรรมความแก่เป็นผลต่อเนื่องมาจากความเกิดแต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันกรรมก็สามารถจะชะลอความแก่เอาไว้ได้ ในการป้องกัน ร, รักษาสุขภาพของตนไว้ให้ดีมีการบริหารร่างกายดีแม้จะแก่ก็แก่น้อยแต่ว่าทุจริบเป็นเรื่องสร้างใหม่จังเห็นได้กันอย่างชัดชัดคนดำรงชีวิตกันอยู่มาโดยปกติสุขเกิดลูปอานาจแก่อารมณ์ไปทําทุจริตทางร่างกายก็ดีทางทรัพย์สินก็ดีต่อจากนั้นก็จะถูกความทุกข์วิ่งไล่ไปทุกคนทุกแห่ มีความไม่สงบใจมีความทุกข์ใจจนต้องหนีกระเซิร์กระเซิร์ไปในที่ต่างๆถ้าจับได้ไล่ทานก็ต้องติดคุกตารางถูกลงโทษตามกระปนเหมือนความทุกข์ที่ต่อเนื่องมาเหล่านั้นซึ่งอาจจะไปถึงบังเกิดในอบายก็ได้ถ้าหากควารุนแรงตัวการใหญ่จึงอยู่ที่ทุจริตแต่ว่าใหญ่สาหรับคนมองอีกชั้นหนึ่งเท่านั้นเอง ต่นี้เป็นเพระาะอะไรเพราะตัวใหญ่จริงๆนั้นไม่ใช่ที่ทุจเรศตัวใหญ่จริงๆอยู่ที่กิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้คนทำทุจริตแต่เราสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนชาวบ้านทั่วๆไปศือสามนชนทั่วๆไปพระพุทธเจ้าจะไม่พูดตัวเหตุใหญ่จริงๆแต่จะพูดผลที่เป็นรู ป, ปรธรรมซึ่งคนสัมผัสได้แล้วและนามาแสดงก็เป็นเหตุ เมื่อคนพยายามที่จะละทุจริตพยายามละทุจริตมันไปดันกิเลสให้ลดจะทากิเลสให้ลดไปทั้งทั้งที่เราต้องการจะละทุจริตนั่นก็เหมือนกับการปิดกั้นในสถานสถานที่ใดที่หนึ่งปิดกั้นน้ำไว้ในสถานที่ใดที่หนึ่งไอจุดประสงค์เราต้องการจะให้ตรงนั้นมันลดแต่เมื่อตรงนั้นลดไอ สถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับตรงนั้นก็ลดตามไปด้วยแม้จะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเหตุผลตามธรรมชาติธรรมดาการลดละทุจริตซึ่งเป็นวิธีสอนเบื้องต้นระดับพื้นฐานทั่วไปพอคนเกิดงดเว้นจะงดเว้นขึ้นมาพราะมองเห็นโทษทุจริตมันก็ต้องไปลดกิเลสกิเลสลดไปเองเลย แล้วเมื่อลดไปมันก็ลดความรุนแรงของกรรมตามไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเพราบว่าอุปจิสามกลุ่มที่กล่าวมาในตอนต้นแม้จะทรงจําแนกสแสดงไว้เพียงกลุ่มเดียวแม้จะทรงจําแนกสแสดงไว้เป็นหลายกลุ่มหรือเป็นสิบสิบข้อก็ตามแต่พอเราแตะตรงใดตรงหนึ่งตรงอื่นก็ชื่อว่าได้ถูกบรรเทาถูกระ ง, งับถูกลับถูกดับถูกละตามไปด้วยตามสมควรแก่กรณีนั้นๆ และทุจริตต่ออื่นเจําเราคุยกันดีๆก็เกิดใช้คำหยาบคำรุนแรงขึ้นแล้วในที่สุดก็ทะเลาะ ก, กันแล้วโกรธเคืองขัดเคืองกันนี่ก็กลายเป็นอุปธิอีกประการหนึ่งซึ่งเปลี่ยนสภาพจิตของคนจากความเป็นมิตรจากความเป็นเพื่อนเป็นพวกกันให้กลายมาเป็นศัตรูกัน ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากเบจีทุจริตเหล่านั้นแล้วจะต่อมาเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่คือต่อกันมาเรื่อยๆตราบใดที่บุคคลยังไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมอดทนไม่ยอมหยุดปรุงแต่งหรือว่าให้สำคัญแก่ถ้อยคำเหล่านั้นนั้นจะมีลักษณะที่ต่อเนื่อง วันนี้เพิงดูตัวอย่างว่าทุกตะบุรุษคนหนึ่งแกนอนอยู่าราิมศาลาทนนาตาบินทิกะเศรษฐีเกิดไปพบข้าวท่าก็เปรย์เขึ้นว่าคนคนนี้ชะรอยจะเป็นคนเที่ยวกลางคืนพราะานอนหลับไปเท้าก็ยังไม่ได้ล้างนอนที่ศาลาอจากการพูดเหล่านี้ของท่านอนาทบินทิกะเศรษฐีนั้นคนคนนั้นก็ไม่ชอบ ท า, ทางที่เป็นเรื่องจริงแล้วแกก็แก้แค้นเบียดเบี ย, บ ย, บย น, ทบนท่านอนาตบินติกาเศรษฐีต่อนเนื่องแล้วก็แรงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงกับขนาดเผาประกันธกุลีที่ท่านอนาตบินติกาเศรษฐีสร้างไว้เพื่อถาวายพระพุทธเจ้านี่แสดงให้เห็นเลยว่าการกระทำเนี่ยพอแกเริ่มจากจุดรุนแรงผ้าไม่หักทิศทางออกแกแรงขึ้นได้เลย เพิ่มความขี้มเกลียดขึ้นภายในจิตใจแม้ในเรื่องของการกระทำเรื่องของคําพูดตลอดทัเรื่องของความคิดก็ลักษณะเช่นเดียวกันทีนี้มาทุจริตในด้า น, นใจคือการเที่ยวไปของจิตหรือความตรึกนึกทางจิตในทางที่ผิดได้แก่ความคิดซึ่งมุ่งไปในสายของโลภะ ปรารถนาไขว้ยคว้าอยากได้ต้องการสิ่งต่างๆมาสนองตอบความต้องการของตนพอปริมาณของความอยากได้สูงขึ้นสูงขึ้นจิตจะไม่ยอมหยุดหลับตอบสนองไม่ทันพอเรียกแรงความพยายามกำลังทับเป็นต้นตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นไม่ทันก็คิดละโมบอยากได้ของของบุคิลอ๋อเฉพาะช่วงของความคิด จิตของบุคคลก็ร้อนร้อนด้วยแรงปรารถนาที่บังเกิดขึ้นและจากแรงปรารถนาที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั้นจะลุกโพร่อยู่แล้วเผาหลนใจให้กระสรับกระสายร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆเอาเฉพาะช่วงความคิดอย่างเดียวก็เผาหลนร่าร้อนมากคราวนี้จะสังเกตว่าไม่ว่าออกมาในรูปของความอยากได้ เป็นตัวอย่างเป็นข้าราชการต้องการจะได้สองขั้นก็อยากได้มากขึ้นมากขึ้นสมมติว่าได้ก็อยากได้ต่อไปสมมติเราไม่ได้ก็เกิดมาในรูปของโทสะครับแ้นขัดเครื่องอึดอัดต้องการจะโตษตอบทาลายล้างโดยประการต่างๆกิเลสมันก็วิ่งไปวิ่งมาไปอยู่กับโทสะไปอยู่กับราคะ ทั้งสองฝ่ายนันกร้อนด้วยกันัความทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในใจแต่บางคนถ้าแรงเกินไปนั้นไปกระทบถึงกายไปกระทบถึงกายของบุคคลเหล่านั้นด้วยทำให้เสียสุขภาพไปจนถึงก็เจ็บ่า้ได้ป่วยที่จริงมาเริ่มจากความคิดเท่านั้นเองในสมัยทธกาณมีคนเป็นนั้นมาก ทีประสบลักษณะอาการเหล่านี้คือความแรงในทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยากได้ต้องการมากเกินไปจะด้วยแรงราคะด้วยแรงโลภะแรงความปรารถนาความต้องการกระทำใจกระสับกระสายเร่าร้อนจนจิตใจเสียปกติไปเลยก็มีหรือบางทีช็อกตายไปเลยทั้งคู่ก็มีนี่เป็นลักษณะของความแรงทางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ เพอันพอแกเกิดแกก็เป็นทุกข์ดาสร้างความทุกข์ให้เกิดปริมาณแกเพิ่มขึ้นทุกแกก็เพิ่มขึ้นเพราะโดนเกิดก่อให้เกิดความ ร, าร้อนรั่มไปแล้วหลังจากเสร็จไปแล้วก็ทํานองกับไฟไหม้ต่อไปหรือไหม้อะไรก็ตามมันทิ้งถ่านทิ้งที่เถ่าเอาไว้และทำให้พื้นที่เหล่านั้นสูญเสียความสะอาดไปด้วย ใจคนที่เกิดเพลกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งลุกโรงขึ้นภายในใจแม้แกจะหายไปเกิดแกทิ้งร่องรอยเป็นแผลใจเอาไว้นานๆประสบอารมณ์จากภายนอกก็น้อมนึกถึงอดีตที่จำนวนบาลีตั้งช้าคำว่าอดีตตารมณ์อารมณ์มันเป็นอดีตเคยกำหนดไว้ยังไง กำหนดไว้ในฐานะน่ารักน่าใครน่ะปรารถนาหน้าพอใจก็เคริบเคริ้มเลื่อนลอยกลับไปอยู่กับอดีตเพ้อฝันถึงอดีตบังทีก็วนเพ้อหาถึงอดีตจนถึงก็จมอยู่กับอดีตไม่ยอมออกมาไปเชิญหน้าปัจจุบันที่ตนกำลังสัมผัสอยู่จริงๆไปหลงอยู่กับอดีตซึ่งไม่มีแล้วตายไปแล้วสูญสิ้นไปแล้ว ทำทุกเหล่านี้จึงมีลักษณะเบียนคือกัดกร่อนจิตใจของบุคคลสร้างความเปลี่ยนแปลงจนถึงเป็นซึมเศร้าเก็บตัวเองไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นเรื่องปัจจุบันทั้งหมดแต่ต้องการในอดีตบางทีคนในอดีตที่ตนต้องการก็ตายไปแล้วด้วยเลยยิ่งยุ่งกันไหน่นี่ก็เป็นลักษณะของความคิดที่เป็นศัตรูต่อใจตัวเอง แต่ความคิดในสายนี้ตามปกติแล้วคิดอยู่ได้นานหน่อยประสงค์แสดงลักษณะประเภทสายก็ความคิด เ, เมื่อกี้เลยสายโลภะหรือเราเรียกว่าราคะเรียกว่ากิจชาความปรารถนาหรือเรียกยชื่ออย่างอื่นก็ตามประเภทคว้าเข้ามาหามันมีโทษน้อยคือไม่ค่อยมีความรุนแรงเพราะมีความรักความทนุกสนาน ปรารถนาที่จะรักษาสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในสภาพเดิมหรือปรุงแต่งให้ดีขึ้นพ้า น, นความคิดในทางทำลายจึงไม่ค่อยเกิดเวลาทำบาปทำกรรมในสายนี้จึงบาปก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่กิเลสอีกสายหนึ่งก็คือสายของโทสะจะมีลักษณะแรงนะเวลา ความร้อนก็นขึ้นถึงจุดเดือดจริงๆเนื่องจากความแรงของแก่นั้นจึงต้องลดลงไปเร็วเพราะไม่งั้นแล้วจิตใจของคนจะทนทานไม่ได้จนถึงกับวิปลาสจะเป็นบ้าไปเลยหรือประสาทแตกไปเลยก็เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติประการหนึ่งกิเลสประเภทนี้แรงเวลาเกิดแต่ว่าลดแรงด้วยลดลดเร็วด้วย ในลักษณะเหมือนก็คลื่นซัดเข้ามาแต่ในที่สุดก็ถอยกลับไปส่วนกิเลสประเภทแรกแม้โทษแก่น้อยแต่ว่าจะจางไปจากใจนั้นช้ามากมันก็เก็บกลายเป็นอุปธิเป็นแผลใจเป็นรอยไหมอยู่ภายในใจเราพร้อมที่จะรับอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากจุดเดิมกันทุจริตเหล่านี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางกายหรือว่าทางวาจาหรือว่าทางใจก็ตามนั้นก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มคิดแล้วและความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นก็เป็นความทุกข์หรือตัวเหตุปจัจจัยเกิดความทุกข์พอทำไปเสร็จประสบผลเป็นความทุกข์ในขณะนั้นและความทุกข์ในแนวที่ต่อเนื่องกัน ข้อนี้ปัญหาว่าจะมองกันในชั้นไหนถ้ามองกันในชั้นศีลธรรมจัร ญ, ญาพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนในแนวทุกสอนในแนวบาปยิ่งบาปมันก็เป็นเหตุของความทุกข์ก็สอนให้เห็นบาปเป็นบุญไอ้เข้าอกเข้าใจกันจริงๆก็เพื่ อ, เ พ, อเพื่อเป็นการบั่นทอนการตัดรอน ความรุนแรงของกิเลสประเภทที่ออกมาเป็นรูปเป็นรูปของพฤติกรรมรือทุจติตทางกายทางมรรคทางใจทีก็เรียกเป็นบาปเอกเป็นเรียกเป็นบาปมันก็เรียกเป็นผลของบาปในเชิงรูปธรรมก็ออกมาเป็นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆมีการติดทุกติดตรรกะจนถึงก็ตายไปตกนรกตกอบายต่างๆนั่นก็คือผู้กันชั้นพื้นพื้น ว่ากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปเลยแต่แท้จริงพอเราพูดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็เป็นการพูดเรื่องเดียวกันแต่ละเมียดละไม่ขึ้นประสติปัญญาของคนสามารถเข้าใจได้มากขึ้นหรือพูดในด้านความคิดพูดในด้านความคิดว่าเป็นทุจริตเป็งโรคอยากได้ของคนอื่นก็เป็นทุจริตพยาบาทปองร้ายคนอื่นก็เป็นทุจริต เห็นผิดจากการลองครองทรมีความเขา่ามีความรุ่มหลงหมวเมาเราเป็นทุจริตเราก็ออกผลเป็นความไม่สบายใจความเล่าร้อนใจผลไม่มีลักษณะเป็นรูปธรรมแต่มีความเป็นนามธรรมสูงและในที่สุดเราก็ชดใช้ผลเหล่านั้นในโอกาสต่อไปคือเป็นสนิมใจเป็นอาสวะมักผมอยู่ภายในใจเป็นนิวนกรกันใจข้งผลเอาไว้ พูดกันคนละชั้นที่จริงแล้วเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันเพราะนั้นปัญหาเรื่องอุปธิจะเป็นกิเลสก็ดีจะเป็นขันธ์ก็ดีจะเป็นกรรมก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทั้งช่วงสั้นและช่วงยาวตลอดถึงทุกในสังสารวัฏดังนั้นพระพมีพระพรภาเจ้าจึงสอนให้บุคคลมองเห็นโทษพยายามบรรเทาระงับละดับกิเลสเหล่านั้น ที่บังเกิดขึ้นให้เต็มตามความสามารถแห่งตนด้วยความเพียรพยายามที่สืบต่อกันไปแล้วก็ประจำสละกกันไปเรื่อยๆจิตใจของบุคคลก็จะสะอาดจากอุปชิตเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ